ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เนี่ยนะทรงแสดงออกซึ่งธรรมะนั้นๆอย่างไร น, นะคือพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีศีลในเมื่อศีลมีอยู่แสดงออกในความเป็นผู้มีศีลนะนะชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกในความเป็นผู้มีศรัทธาในเมื่อศรัทธามีอยู่เมื่อมีศรัทธาก็แสดงศรัทธาออกให้เห็นนะนะ เชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีวิริยะในเมื่อวิริยะมีอยู่เชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีสติในเมื่อสติมีอยู่ชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีสมาธิในเมื่อสมาธิมีอยู่เชื่อว่าเป็นผู้คงที่แสดงออกว่าเป็นผู้มีปัญญาในเมื่อปัญญามีอยู่ ที่กล่าวไปก็คือศีลกับอินทรีย์ห้าเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยแสดงออกว่ามีศีลมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเชื่อว่าเป็นผู้ทรงแสดงออกเนี่ยนะเป็นผู้คงที่เพราะทรงแสดงอก อ, ดงอกว่าเป็นผู้มีวิชาสามในเมื่อวิชาสามมีอยู่เป็นผู้คงที่พระแสดงออกว่าเป็นผู้มีอภิญญาหกในเมื่ออภิญยามีอยู่เป็นผู้คงที่พระแสดงออกว่าเป็นผู้มีพรราสิบในเมื่อพระมีอยู่ อันพระองค์นี้แสดงคุณธรรมที่แสดงให้เห็นเลยก็คือมีเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีอภิญญามีพระเนี่ยนะเขาเรียกว่าแสดงออกซึ่งคุณธรรมนั้นนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้คงที่เนี่ยนะไม่อาศัยในตัณหาและทิฏฐิเนี่ยเป็นผู้คงที่อย่างนี้ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่เป็นผู้ทรงหลอกลวงคือไม่หลอกลวงนะ พระพุทธเจ้านี่ไม่หลอกลวงเลยทีนี้ถามว่าถ้าคนจะหลอกลวงหลอกลวงยังไงคนทั่วๆไปจะหลอกลวงซึ่งพระพุทธเจ้าไม่หลอกลวงแบบนี้เนีน่ยนะว่าวัตถุแห่งความหลอกลวงเนี่ยมีสามอย่างนะนะก็คือวัตถุแห่งความหลอกลวงกล่าวด้วยการซ่องเสพปัจจัยวัตถุแห่งความหลอกลวงกล่าวด้วยอิริยาบถวัตถุแห่งความหลอกลวงกล่าวด้วยการพูดเรียบเคียงนะนะพันหลอกเลียงด้วย เสษปัจจัยหลอกลวงด้วยอิริยาบถหลอกลวงด้วยการเรียบเคียงนะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่หลอกลวงทั้งสาประการที่กล่าวไปทีนี้อธิบายว่าผู้ที่หลอกลวงเนี่ยนะด้วยวัตถุแห่งความหลอกลวงกล่าวด้วยการส่องเศษปัจจัยนี่เป็นอย่างไร อยากยกตัวอย่างว่าพวกเครืหา บ, บดีในโลกนี้นิมนต์ภิกษุด้วยจีวนบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารก็คือเข้ามาเชื่อเชิญนะนิมนต์ก็คือเชืช่อเชิญน่ะเชื่อชิญด้วยปัจจัย4กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะภิกษุนั้นน่ะมีความปรารถนาลามุกคือปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปอันความปรารถนาครอบงำ ม, มีความต้องการปัจจัย4คือจีวนบินทบาท เสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเนี่ยอาศัยความอยากได้มากคืออยากได้ปัจใจสีเนี่ยมากจริงๆอะ่ะเห็นแล้วเขามาประวรณามานิมนต์เราน้อยไปฉะนั้นก็เลยวิธีอยากทําจะท่าวิธีที่จะทําให้ได้มากก็บอกว่าบอกคืนบอกคื น, บ, คนบิจีวล์บินทบาทเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเหล่านั้นก็วิธีบอกคืนเนี่ยนะเรียกว่าบอกคืนอย่างมีชั้นเชิงอะ่ะเพื่อจะเอาอ่ะนะจริงอ่ะเรียกว่าอะไรคืนเพื่อจะเอา ไม่ได้คืนเพื่อจะจะไม่เอาอ่ะนะก็บอกคืนอย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรให้แก่ส ม, มณะด้วยจีวรมีค่ามากานี่นะท่านก็การที่ส ม, มณะเที่ยวเลือกเก็บผ้าเก่าจากป่าช้ากองอยากรื่อหรือร้านตลาดแล้วทําสังขาติใช้เนี่ยเป็นการสมควรนี่นะอุ้ยแหมจีวรผ้าคลุกฝุ่นเก็บบังสกุลดีที่สุดอย่างนั้นนะจริงอ่ะอยากได้จีวรมากๆอ่ะนั่นแหละแต่ว่าเป็นการเกี่ยวกัเทคนิคจะเอาอ่ะ เทคนิคอย่างเงี้ยเทคนิคตกนรกะเทคนิคไม่ค่อยดีนักนะเทคนิคอันนี้ดีระยะใกล้แต่ว่าระยะยาวเนี่ยเสียหายมากก็วิธีปฏิเสธอาหารอีกว่าประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยบินทบาทมีค่ามากการที่สมณะสสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยก้อนข้าวที่ได้มาด้วยปลีแข้งโดยความประพฤติสแสวงหาเนี่ยเป็นการสมควรว่างั้น ประโยชน์อะไรแกสมณะด้วยเสนาสนะที่มีค่ามากการที่สมณะอยู่โคนม้อยู่ที่ป่าชา้าหรือที่แจ้งเนี่ยเป็นการสมควร <c oughs> ประโยชน์อะไรแกสมณะด้วยคีฬานะปะจัจจัยเภสัชบริการที่มีค่ามากนะประโยชน์อะไรด้วยน้ำพึ่งนะการที่สมณะทำยาด้วยน้ำมูดเน่าด้วยลูกชิ้นลูกสมอเนี่ยเป็นการสมควร พันพิกสูนั้นอาศัยความเป็นผู้อยากได้มากอะนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พูดจะไม่เอาอะนะก็เรียกว่าวิธีวิธีสายบ่วงอะนะแต่วิธีใช้คําเพื่อที่จะเป็นการหลอกล่อชั้นเชิงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่ออยากได้อย่างนั้นก็เลยใช้แต่จีวรที่เศร้ามองชันแต่อาหารบิณทบาทที่เศ้ามองเสพเนสเซนาสนะที่เศร้ามองใช้ยาที่เศ้ามอง นะก็ใช้ทำตัวปันตอนอยู่นี่แหละผัวกค้นหาบดีเห็นภิกษุนั่นแล้วก็ทราบอย่างนี้ว่าโอภิกษุรูปนี้สมณะเนี่ยเป็นผู้ปรารถนามากน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีวาทะกํำจัดกิเลสแม่พระปฏิบัติดีต้องอย่างนี้สิ น, นแจ๋วเยี่ย ม, มนะยก ย, กยก่ชมใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยยิ่งนิมนต์เธอด้วยปัจจัยสี่นะ นีมนจีวรยิ่งๆขึ้นไปนีมนปิปนฑบาตยิ่งยิ่งขึ้นไปเสนาสนะชั้นเยี่ยมยาชั้นยอดอะไรเง้ยน่นนน ะ, นะนะก็เอาเข้าไปประเคนนะให้พิสูจนนั้นก็กล่าวว่าเพราะประกอบด้วยเหตุสามประการกุลบุตรผู้มีศรัท ธ, ธาย่อมได้ประสบบุญมากนะนะเราว่าพู้รักษาน้ําใจน่าดูเลยว่าเพราะประจบด้วยศรัท ธ, ธาหนึ่งเพราะประจบด้วยทายาทรำหนึ่งเพราะประจบด้วยทักษินายบุคณหนึ่งอันะท่านทั้งหลายมีศรัท ธ, ธานี้มีอยู่ ทายาทมนี้มีอยู่ทั้งอาตมาก็เป็นปฏิ่า6มีอยู่ถ้าหากว่าอาตมาไม่รับท่านทั้งหลายก็จะเสื่อมจากบุญอาตมาไม่มีความต้องการด้วยปัจจัยนี้แต่ว่าอาตมาเนี่ยจะรับด้วยความอนุเคราะห์แก่ท่านทั้งหลายนี่นะรับเนี่ยเพราะสงสารรอกเนี่ยนะกลัวท่านทั้งหลายจะไม่ได้บุญเหมือนันนะบางทีก็จะยกน่นนว่า นี่นะถ้าหากว่าอาตมาไม่ ร, รีบรับเดี๋ยวท่านทั้งหลายต่อไปจะไม่ได้ทําบุญเพราะอะไรเพราะศรัทธามันเป็นของเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไม่เที่ยงรอกพโมกขลานะยังไม่ประกรันศรัทธาเพราะั้นถ้าเกิดศรัทธาท่านหมดไปอ่ะนะท่านก็ไม่ได้ทําบุญท่านก็จะอดทําบุญนะอาตมาจะรีบรับเอาไว้นะเดี๋ยวจะเสื่อมจากบุญเหมือนันนะจะพูดให้เขาอย่างเดียวจริงก็พูดไปพูดเอาันั่นแหละไม่ได้พูดเอาให้หรอก เหมือนกับพวกพ่อค้าฉลาดขายของอ่ะนะแหมนี่ชั้นดีนะชั้นลดราคาให้ชั้นหนึ่งเป็นต้นนะจริงก็จะพูดจะเอานั่นแหละเนี่ยนะโนะกงราคาแล้วโกงอีกนะนะั่นแหละแต่นี่ก็เหมือนกันนั่นะเพราะฉะนั้นจําเดิมแต่นั้นมาพี่สูนั้นก็รับจีวอนมากบินทบาตก็รับเยอะเสนาสนะก็มากคีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเนี่ยมากนะนะก็วิธีทำก็คือทําหน้ายุยี่อ่ะนะทําหน้ายุยี่ทําหน้ายน่นอะไรแข็งมากครื้นมากอยงนั้นนั่น ะ, นะนะ ก็เลยเป็นผู้มีหน้ายูยยิ่หลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงนี่เรียกว่าหลอกลวงโดยอาศัยการส่องเสพปัจจัย4เนี่ยนะก็ใช้ปัจจัยนี่เป็นเครื่องหลอกลวง น, นะก็อย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกนะถ้าไม่มีท่านไม่แสดงไว้หรอกนี่ยนะอันนี้เรียกว่าหลอกลวงมายานั่นแหละ ทนวัตถุแห่งความหลอกลวงด้วยอิริยาบถเป็นไง น, นะอาศัยอิริยาบถมาหลอกลวงว่าภิกษุบบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาลามมกอันความปรารถนาครอบงาํามีความประสงค์ในการยกย่องอยากให้เขาชมอยากให้เขายกว่าก็เลยพากันคิดว่าเออประชุมชนเนี่ยจักยกย่องเราด้วยอุบาอย่างนี้นะเรียกว่าใช้แผนที่จะทําให้เขาชมอ่ะนะ ก็เลยสัมรวมในการเดินสัมรวมยืนสัมรวมนั่งสัมรวมนอนเนี่ยนะสัมรวมเต็มที่อ่ะนะจริงๆไอ้สัมรวมนี่เป็นเรื่องดีแต่เนี่ยมันจะทําให้จะเอาคะแนนชมอ่ะจะเอาคําชมมาเนีเอาคํายกย่องสรรเสริญอ่นะจริงๆแล้วคําสอนก็สอนเรื่องสัมรวมอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าตั้งความปรารถนาลา ม, มกว่าทําให้เขาชมอ่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งสติเดินตั้งสติยืนตั้งสตินั่งตั้งสตินอนบางทีก็ทาเหมือนเป็นผู้มีสมาธิเนี่ยนะทำเหมือนภิกษุมีสมาธิเดินทาเหมือนภิกษุมีสมาธิยืนทาเหมือนภิกษุมีสมาธินั่งทาเหมือนภิกษุมีสมาธินอนแม้คนสงบเหลือเกินเนี่ยนะจะชมทำตัวให้เขาเห็นอย่างนั้นแหละ ทำตัวเหมือนพิสูจที่เจริญอาปาทกชาญเรียกว่าเจริญชาญต่อหน้ามนุษย์ยนะต่อหน้าประชาชนเนี่ยหมายจะเข้าชาญให้ได้นะแต่ถ้ารับหลังก็ไม่ไหวละนะแต่ต่อหน้าเนี่ยก็เจริญชาญเพราะฉะนั้นการตั้งใจทําการทํากา ร, การดํารงอิริยาบถความทําหน้ายุยยีความเป็นผู้มีหน้ายุยยีความหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงเห็นป่านี้เรียกว่าวัตถุแห่งความหลอกลวงกล่าวด้วยลวงด้วยอิริยาบถเนี่ยนะ คนเห็นก็เลื่อมสายโอ้ยเนี่ยแล้วพระจริงๆก็ต้องอย่างนี้แหละวย่าง น, นั้นนะนะ่หมดตัวอีกเนี่ยนะเนี่ ย, ยองมรู้ใครรอกคุณสำนวนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเป็นคฤหัสถบริโภคกามนอนเบียดเสียดกับบุตรภรยาเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครประพฤติ ด, ดีประพฤติไม่ดีเนี่ยนะดูภายนอกมันดูไม่ออกหรือแล้วพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าศีลเนี่ยจะรู้ยุ่อะจะรู้ได้ ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้หรอกเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นภาพภายนอกที่แฟชั่นออกมาเนี่ยนะก็จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูละครไหมล่ะมีพระในละครก็เต้มไปหมดเนี่ยนะพระจริงหรือพระปลอมนั่อในนั้นน่ะนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละจะแสะดงให้เป็นยังไงก็ได้ซึ่งเรียกว่าคนนอกไม่มีโอกาสรู้หรอกเหมืกัน อย่างความหลอกลวงอย่างที่สามว่าวัตถุแห่งความหลอกลวงด้วยการพูดเรียบเคียงเนี่ยนะหลอกลวงอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ทำหรอกหรือท่านไม่มีหรอกบาปประรรมเหล่านี้แต่ก็มีผู้ที่หลอกลวงด้วยการเรียบเคียงว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาลามมกอันปราดความปรารถนาครอบงามีความประสงค์ในการยกย่องอยากให้เขาชื่นชมยกย่องคิดว่าประชุมชนเนี่ยจักยกย่องเราด้วยอุบายนี้นะใช้ โลบายอันนี้แหละเขาจะได้ยกย่องเราเพราะฉะนั้นจึงกล่าววาจาอิงอริยธรรมว่าสมณะใดทรงจีวณอย่างนี้สมณะนั้นมีศักดิ์มากนะสมณะใดใช้จีวณแบบนี้นะสมณะนั้นมีศักดิ์มากนะสมณะใดใช้สมณะใดใช้บาตรแบบนี้เช่นใช้บาตรสแตนเลตแบบนี้สมณะนั้นมีศักดิ์มากใช้ภาชนะโลหะแบบนี้มีศักดิ์มากนะก็เริ่มนะสัญหาเนี่ยว่าไปว่ามาก็าหมายถึงตัวนั่นแหละเนี่ย ทรงทำมัง ร, ร, มกรกผ้ากรองน้ํากุญแจรองเท้าประคตเอวสายโยกบาทสมณะนั้นมีศักดิ์มากนะหรือว่ามีอุปชาอาจารย์ผู้ร่วมอุปชาผู้ร่วมอาจารย์มีมิตรมีพวกมีพวกที่คบกันมีสหายอย่างนี้เนี่ยสมณะนั้นมีศักดิ์มากนะนะเกรียกว่าพูดวนรอบตัวนั่นแหละซึ่งซึ่งเกรียกว่าไม่บอกตรงนะแต่จะบอกให้รู้ว่าชั้นนี่แหละเหมือนกนหรือว่าสมณะใดอยู่วิหารหลังวิหารนี้ เรือนมีหลังคาแถบเดียวอยู่ปราสาทหลังคาโลนถ้ำที่เรนกุตีเรือนยอดซุ้มประตูโรงกลมที่พักที่ศาลาที่ประชุมมณดบโคนต้นไม้อย่างนี้สมณะนั้นมีมีศักมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะอีกอย่างหนึ่งความเป็นผู้หน้าวางหน้าใช้เมยทําหน้ายิ้ยี่งหลอกลวงปลิ้นปล้อนตลบตะแล ง, ลงอันผู้อื่นสรรเสริญด้วยความที่ตนวางหน้านะ ว่าเขาก็ยกย่องกันนะโอ้ยสมณะนี้ได้วิหารสมาบัติเห็นตานี้มีอยู่ะนะนั่นก็เขาก็เลยชมมากอ่ะนะเขาก็เลยชมภิกษุนั้นก็ย่อมกล่าวถ้อยคําเช่นนั้นอันปฏิสังยุตด้วยโลกุตระธรรมและนิพานอันลึกลับสุขมุมละเอียดปิดบังทำหน้ายูย้ยี่ความเป็นผู้มีหน้า ย, ยิ้ยวิความหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงดังที่กล่าวไปเรียกว่า หลอกลวงด้วยการพูดเลียบเคียงวัตถุแห่งความหลอกลวงสามอย่างนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละตัดขาดสงบระงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าผู้ไม่หลอกลวงเห็นไหมพระองค์เนี่ยไม่หลอกลวงพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาเป็นพระคนาจารย์คำว่าเป็นพระคนาจารย์ก็เหมือนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าคณีพระอธิวาว่ามีคณะพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าคณีพระอธิวาว่าเป็นคณาจารย์พระอธิวาว่าเป็นศาสดาของคณะพระอถาว่าพระองค์่ทรงบริหารคณะทรงตรัสสอนคณะทรงพร่ำสอนคณะะพระองค์นมีความองอาจเข้าไปสู่คณะหรือว่าพวกคณะย่อมฟังด้วยดีต่อพระองค์เงี่ยโสดลงฟังเข้าไปตั้งจิตเพื่อความรับรู้พระองค์นี่ยังคณะให้ออกจากอกุศล ให้ตั้งเฉพาะอยู่ในกุศลพระองค์เนี่ยมีคณะภิกษุคณะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชากษัตริย์พราหมณแพทยสูตรเทวดาและมนุษย์พร้อมเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะของของท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่กล่าวไปมันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีหมู่มีคณะเป็นพระคณาจารย์สเสด็จมาสเสด็จเข้ามาเข้ามาพร้อม เข้าถึงพร้อมแล้วซึ่งสังกัดสารนครนพระ อ, องค์จึงชื่อว่าผู้ไม่หลอกลวงผู้มาเป็นพระคณาจารย์เนี่ยนะคำว่าของคนหมู่มากความว่าของคนหมู่มากในศาสนานี้ก็คือของกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรฤหัสบรนประชิตเทวดามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยนะคำว่าเนื่องเนี่ยนะก็คือเป็นผู้เนื่องมีความประพฤติเนื่องกันเป็นผู้บำรุงเป็นสิทธิ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์เนี่ยเป็น เชื่อว่าของคนหมู่มากซึ่งเนื่องในศาสนานี้คำว่าเราคือภาษารีบุตรเนี่ยมีความประสง์ด้วยปัญหาจึงมาความว่าเราอ่ะเป็นผู้มีความประสง์ด้วยปัญหามาแล้วคือเรามีความประสง์เพื่อจะทูลถามปัญหานั้นเรามีความประสงเพื่อจะฟังปัญหามาแล้วแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าเรามีความประสงด้วยปัญหาจึงมา